จเจลิกพอนท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญ ด้วยเหตุตา่ตางๆบางท่านมาวัดเพราะว่าเป็นวันเกิดบางท่านมาวัดเพราะเป็นหน้าที่เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธจะพึงปฏิบัติบางท่านก็มาร่วมในงานอุปสมบทผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่อยากจะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มรูปแบบก็จะมาขอให้ทางวัดจัดพิธีอุปสมบทเพื่อจะได้อยู่เป็นพระภิกษุเพื่อจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการที่เราจะมีความสุขไม่มีความทุกข์นั้นต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราความสุขความทุกข์มันมีเหตุที่ทาให้เราสุขทาให้เราทุกข์เหตุที่ทำให้เราสุ ข, ก, สขก็คือการกระทำ ทางกายทางวาจาและทางใจที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดีความสุขก็จะเกิดตามมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์ก็จะตามมาอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่ ไม่ว่าใครก็ตามถ้าลองได้ทำแล้วจะได้รับผลเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะมีพระพุทธศาสนามาเผยแผ่สั่งสอนหรือไม่ก็ตามอันนี้เป็นกฎตายตัวเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมคิดดีู็ ด, ดีทำดีก็จะได้ดี คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีนไม่ว่าจะเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคาลาวาเป็นนับบวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นคนธรรมดาเป็นขอทานจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องละเว้นการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายมีความคิดดีพูดดีทำดีท่านจึงมีความสุขกัน คิดดีเพราะว่าคิดจะมาทำบุญคิดจะมารักษาสิงคิดจะมาำะํำระความโลภความโกรธความหลงให้บบไปจากใจกวามคิดเหล่า น, นี้นำไปสู่การพูดคือการชักชวนชักชวนยากิพี่น้องเพื่อนฝูให้มาร่วมทำบุญกัน ให้มารักษาศีลกันให้มาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจกันพ อ, อได้คิดได้พูดแล้วก็จะได้ทำก็คือได้มาที่วัดเอาข้าวเอาของต่างๆมาถวายพระมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆ หหมดไปจากใจการที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีได้ไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่ทำไม่ดีก็อยู่ที่คุณธรรมที่เราต้องสร้างขึ้นมาภายในใจอยู่สี่ประการด้วยกันคือเราต้องมีความเมตตามีความการุณามีมุนิตา และมีอุเบกขาเราถึงจะสามารถคิดดีพูดดีทำดีได้แต่ถ้าเราขาดความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเราก็จะคิดไม่ดีอย่างนั้นสิ่งที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาตลอดเวลาก็คือความเมตตากรุณามุดิตาและอุเบกขา เพราะถ้าเรามีเมตตากรุณามุมิตาอวยค่ะแล้วเราจะคิดดีพูดดีทดําดีอย่างวั น, นิี้ญาติโยมก็มีเมตตาเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าความเมตตากรุณาก็คือความปรารถนาอยากให้ผู้อื่น พ้นจากความทุกข์ยากลาบากเดือดล้อนวันนี้เรามีความเมตตากรุณาอยากให้พระสงฆ์องค์เจ้ามีความสุขอยากให้ท่านไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนความขาดแคลนทางปัจจัยสี่จึงได้เดินทางมาวัดกันเพื่อนากับข้าวกับปาอาหารของขาวของหวาน มาแบ่งปังให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่พำนักอยู่ในวัดนี้นี่เรียกว่าการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่กับคนเรือสัตว์ไม่ใช่แผ่ในเวลาที่เราอยู่คนเดียวเช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ พอเสร็จแล้วเราก็สวดสัพเพสตาอเวราหงตุแผ่เมตตาตอนนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาตองนั้นเป็นการศึกษาเป็นการเตือนใจเป็นการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาสัพเพสตาอเวราหงตุนี้ก็แปลว่าการไม่จองเวจองกรรมกัน เราต้องไม่จองเวรจองกรรมไม่ว่าผู้ใดจะมาทำอะไรกับเราจะทำให้เราเสียหายอย่างไรจะทำให้เราทุกข์ให้เราเดือดร้อนอย่างไรห้ามจองเวรถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเพราะถ้าเราจองเวรแสดงว่าเรามีความโหดร้ายทารุณต้องการที่จะทำร้าย ต้องการให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บช้ำทางร่างกายอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการมีความเมตตาเพราะถ้าเราจองเวเราก็จะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายคิดร้ายก็คืออยากจะให้เขาทุกข์อยากจะให้เขาเจ็บก็ไปด่าเขาไปว่าเขาไปทุบตีเขาไปฆ่าเขา อย่างนี้เรียกว่าปราศจากความเมตตาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาเวลาโกรดนี้หน้าตาข้าเครียดแดงก่ำใจสั่นกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาไปด่าไปว่าเขาเพื่อยิ่งเครียดใหญ่อพอไปทำร้ายเขาแล้วก็มาเครียดกับความกลัว กลัวว่าจะต้องถูกเขามาล้างแค้นมาลงโทษอยู่ที่ไหนก็คอยหวาดแหวงกลัวว่าจะถูกทำร้าย mm hmm. นี่คือการไม่มีความเมตตาคือการไม่มีการให้อภัยอเวลาหงตุเราต้องให้อภัยต้องไม่จองเวรให้คิดว่าสิ่งที่เ้าพูดสิ่งที่เ้าทานั้น มันก็ผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างมันได้มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปวิธีที่จะให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่มีอารมณ์ก็อย่าไปคิดถึงมันเช่นให้เราคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเวลาโดนใครดา่าเราก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไม่นานเราก็จะลืม สิ่งที่เขาด่าเราพอเขาพอเราลืมเราก็จะไม่มีความเสียใจจะไม่มีความโกรธถ้าเราพูดโทไม่ได้ยังคิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องคิดว่าถ้าเราไปอาฆาตพยาบาทเราก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมเราก็จะสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมากลายเป็นสงรารขึ้นมาได้ ถ้าเราไม่อยากจะต้องไปมีสงครามกับใครเราก็ต้องหยุดยอมหยุดแล้วก็เย็นถ้าเราไม่ยอมไม่หยุดใจของเราก็จะไม่เย็นใจของเราก็จะทุกข์ทุกข์ด้วยความเครียดแค้นทุกข์ด้วยความโกรธเกลียดทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทแล้วเราก็จะกลายเป็นคนชั่วไปเพราะเมื่อเรามีความโกรธเกลีย เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราก็จะไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเราหยุดความเครียดแค้นความโกรธเกลียดได้ด้วยการให้อภัยคิดเสียว่าเหมือนกับจานมันหล่นไปมันแตกแล้วทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะเอามาให้มันเหมือนเดิมได้ก็โยนทิ้งไปลืมมันไปเสียเรื่องมันก็จะจบ เราก็อยู่ของเราตามปกตินี่คือเรื่องของความเมตตาคือต้องระงับความโกรธเกลียดเคียแค้นอาฆาตพยาบาทความโหดร้ายทารุณให้อภัยแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับเขาคิดเสียว่าสิ่งใดที่เขาทำแล้วเขามีความสุขก็ ดีไปเพราะเราก็อยากจะให้เขามีความสุขอยู่แล้วนี่คือการมีความเมตตาก็คือการอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างนั้นถ้าเขาด่าเราเขาทุกตีแล้วเขามีความสุขก็สาธุอนุโมทนาไปคิดว่าเป็นการให้ทานเป็นการทําบุญทําทานไปนี่คือเรื่องของความเมตตา ถ้าเรามีเมตตาแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับก็จะมีความสุขเวลาหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีแต่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แล้วเราก็จะมีความสุขนี่นี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจด้วยความเมตตาวิธีที่สองก็สร้างความสุขด้วยความการุณาคือสงสารเห็นกายเขาเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากก็ควรที่จะสงสารเขาให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะทำอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไร เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากลงบากแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกมีความพอใจมีความชื่นชมยินดีในการช่วยเหลือของผู้อืน่นเราจะคิดถึงเขาเราจะรักเขาถ้าเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณให้กับเขาเมื่อไหร่ เราก็จะคิดถึงเขาก่อนเช่นถ้าเกิดเราหายพ้นจากความทุกข์ยากลาบากร่ารวยขึ้นมาเราก็อยากคิดถึงคนที่เขามาช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ยากลาบากพอเรามีเงนินมีทองเหลือกินเหลือใช้เราก็อยากจะไปให้เขานี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการ มีความกรุณาจะทำให้เรามีความสุขใจจะทำให้เราเป็นคนน่ารักมีคนที่จะรักเราชอบเราเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาจะมาช่วยเราโดยที่เราไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปดอกแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะเวลาที่เราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราดังนั้นขอให้เราพยายามช่วยเหลือกันละกันเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจริงๆและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองได้เช่นเวลาคนล้มเราก็ช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อให้เขาเดินต่อไปได้แต่อย่าไปช่วยแบบอุ้มเขาแบกบเขา เวลาจะช่วยใครต้องดูว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เขาเดือดร้อนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ถ้าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นก็ไม่ควรไปช่วยเขาเช่นเขาอยากจะดื่มสุราแล้วเขาเดือดร้อนมาขอเงินขอทองเพื่อไปซื้อสุรามาดื่มอย่างนี้ก็ไม่ควรช่วยเขา เพราะจะทำให้เขาเสียมากกว่าจะทำให้เขาดีเพราะเวลาเขาไปดื่มสุราแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะไปพูดไปทำอะไรที่ไม่ดีสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เราอย่าช่วยแบบนี้ช่วยแบบที่จำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่มีเงินไป โรงพยาบาลก็พาเขาไปโรงพยาบาลไม่มีเงินซื้ อ, อยาก็ซื้ อ, อยาให้เขาขาดแคลนอาหารก็ซื้ออาหารมาให้เขาใช้ให้มัรับประทานขาดแคลนเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าไม่มีที่อยู่อาศัยพอมีหาที่ไหนให้เขาอยู่ได้ก็หาไปนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่พวกเราทุกคนต้องมีกัน เพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุขได้และอาจจะต้องเสียชีวิตไปเราก็ต้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นแต่อย่าไปช่วยในสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอยากจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็ไม่ต้องไปซื้อให้เขาถ้าเครื่องเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ อยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งท่านที่มีอยู่เต็มตู้อย่างนี้ก็อย่าไปช่วยเนี่ยช่วยในเรื่องที่จําเป็นช่วยในเรื่องที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์เช่นถ้าเป็นเด็กอยากยเรียนหนังสือไม่มีเงินทองพ่อแม่ไม่มีปัญญาจะส่งเสียเราให้ทุนการศึกษากับเขาอันนี้ก็เป็น การช่วยเหลือที่ดีเพราะการศึกษาจะทําให้เขามีความรู้ความสามารถที่จะทํามาหากินไดอาชีพที่สุดจริญไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมให้ทุนการศึกษานี่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเรียกว่ามีความการุณาข้อที่สาให้เรามีมุติตาก็คือ ให้เรามีความชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นถึงแม้ว่าความสุขความเจริญของเขาอาจจะทำให้เราเสียโอกาสไปหรือเสียรายได้ไปแต่เมื่อเป็นสิ่งที่เขาได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเราก็ควรที่จะชื่นชมยินดีกับเขาเช่นเวลาเราเล่นกีฬา เราแพ้เขาเขาชนะเราเราก็ต้องแสดงความชื่นชมยินดีในความสามารถในชัยชนะของเขาอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปหาไปกล่าวหาว่าเขาทำไม่ถูกเขาเล่นโกงอะไรอย่างนี้ในเมื่อกรรมการเขาได้ตัดสินแล้วว่าเขาเล่นถูกกติกาทุกอย่างเราต้องรู้จักคาว่าแพ้ เพราะการว่าการแพ้นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายการที่รู้จักแพ้นี่แหละคือเป็นการชนะที่แท้จริงชนะความเสียใจชนะความน้อยใจที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราแพ้ผู้อื่นแต่ถ้าเรามีเรามีความยินดีกับชัยชนะของผู้อื่นกับความสุขของผู้อื่นเราจะไม่รู้สึกเสียใจ เราจะไม่รู้สึกน้อยใจเรากลับจะมีความสุขไปกับความสุขของผู้อื่นนี่คือเรื่องของมุติตาที่พวกเราควรที่จ ะ, จะเจริญกันเวลาเห็นใครเขาได้ดีบได้ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉารืษยาว่าความอิจฉาฤรยานี่จะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจ จะทําให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีแต่ถ้าเราไม่มีความวิจาริษยาเรามีความชื่นชมยินดีกับความสุขของผู้อื่นเราก็จะมีสุขไปกับเขาด้วยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับเขาการเป็นศัตรูกันนี้ไม่ดีเป็นมิตรดีกว่าเป็นมิตรจะได้ช่วยเหลือกันได้ เป็นศัตรูก็จะคอยทำลายกันทำร้ายกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีศัตรูเราสามารถอยู่อย่างมีมิตรกับทุกคนได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักคาว่าแพ้อย่าไปเอาชนะถ้าไม่ได้ชนะก็อย่าไปเสียใจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกนี้ย่อมมีการแพ้มีการชนะันเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นเขาจะมาเล่นกีฬากันทำไมถ้าเล่นแล้วทุกคนชนะเล่นไปก็ไม่สนุกมันเล่นแล้วมันต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายอย่างแพ้ถ้าเราไม่แพ้เขาก็จะชนะไม่ได้อย่างนั้นคิดว่าการแพ้ของเราเป็นการให้ทานก็ได้ให้เขาได้มีความสุข นี่คือเรื่องของมุติตาถ้าเรามีมุติตาแล้วเราจะไม่มีศัตรูกับใครเราแข่งขันกับใครก็แข่งขันกันด้วยความถูกต้องแล้วก็ยินดีกับความแพ้ความชน ะ, ะนี่คือเรื่องของมุติตาพระพุทธเจ้าบอกว่าการชนะผู้หนึ่งเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ชนะใจเราไม่ได้ เพราะเวลาที่เราชนะผู้อื่นก็จะไปสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อื่นถ้าเราแพ้ถ้าเขาชนะก็จะทำให้เราไม่พอใจแต่ถ้าเรายอมแพ้เรามาชนะตัวเราชนะความอยากชนะผู้อื่นเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเวลาเราแพ้เราก็มีความสุขใจ ว่าเราไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นนั่นเองนี่คือเรื่องของมุติตาข้อสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขานี่ก็คือการทำใจให้วางเฉยเวลาที่เราประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่เราลัก มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่สามารถที่จะรักษาให้หายให้ดีขึ้นได้ก็ต้องทำใจอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอยากให้หายเพราะยิ่งอยากให้หายก็ยิ่งจะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆและอาจจะทำให้เราต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้เช่นบางคนเห็นคนที่รักเขาทรมาน ก็เลยอยากให้เขาตายเพื่อจะได้พ้นจากการทรมานก็เลยฉีดยาเช่นเวลาชาวต่างประเทศเวลาสัตว์เลี้ยงนี่เขาเป็นโรคเป็นอะไรที่ไม่สามารถรักษาได้เขาก็เลยฉีดยาให้สัตว์เลี้ยงนั้นตายไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องทรมานใจความจริงคนที่ทรมานใจไม่ใช่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่คนที่ดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ทนดูไม่ได้เพราะมีไม่มีโอเบขานั้นเองอยากจะให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากความทุกข์ทรมารแในเมื่อเขาไม่หายก็เลยช่วยเขาให้หายด้วยการไปฆ่าเขาวิธีการแบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ปัญหา ความทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากหายอยากให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นหายไปแต่บางทีเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีและวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ทรมานใจก็คือเราต้องมีอุเบกขาทำใจให้เฉยๆวิธีจะทำใจให้เฉยๆให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้ ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามเราถือว่าเป็นเรื่องของบุญของบาปไปก็แล้วกันถ้าเราตรงได้ว่าเป็นเรื่องกรรมของกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทําใจได้เราก็จะไม่ทุกข์ทรมาน ก, กับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น กับเราเองก็ดีหรือกับผู้อื่นก็ดีเราก็จะตั้งอยู่ในความสงบไม่ทุกข์ไม่ทรมานนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จ ะ, จะเจริญสร้างกันขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้คิดดีพูดดีทำดีไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายกับผู้อื่นและกับตัวเราเองแล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ไหนอยู่กับเหตุการณ์ใดจะไม่มีอะไรที่จะมาทาให้จิตใจของเรามีความทุกข์เลยนี่คือเรื่องของการดีพรหมวิหารสี่ที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขใจไปตลอดจึงขอให้พวกเรา มันมาจเจร e. ิญพรมวิหารสีบ่อยๆเจริญอยู่เรื่อยๆคือจเจริญเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาแ ล, ล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความท <you>. ุกข์การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้